พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อทำความสงบกายสงบใจเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ อย่าให้ใจมันส่งสายไปทางอื่นปกติของใจนี่มันชอบคิดไปตามเรื่องราวต่างๆมันจับเรื่องใดได้มันก็คิดไปตามเรื่องนั้นบางทีความคิดนั้นจะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่เชิง เป็นธรรมดาธรรมดาเฉยๆความคิดเช่นนั้นถึงจะไม่เป็นบาปเป็นบุญมันก็เป็นสิ่งที่ทำใจให้พุ่งสร้างไม่สงบลงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่ามันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกก็นั้น คิดไปมันคงไม่มีโทษอะไรไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าเมื่อไม่สำรวมใจให้นิ่งจิตก็ น, นิ่งไม่ได้จุดมุ่งหมายของการภาวนามันอยู่ที่เราพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่เป็นเบื้องตน้น ถ้าจิตมันหยุดคิดโดยประการทั้งปวงยังเหลือแต่ความรู้กับสติประคองจิตนั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ หาใจออกไปก็รู้ว่าจิตตั้งโยไม่คิดไม่สายไปทางไหนนี่ก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้จิตนี้มันจึงจะคลายอารมณ์ต่างๆออกได้มันจึงจะรวมลงเป็นหนึ่งถ้าไม่ละความคิดนึกปรุงแต่งต่าง เสียก่อนอย่างนี้เราจะไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะว่ามันมีอารมณ์อยู่ในใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสมถะสมถะแปลว่าอุบายทำใจให้สงบวิปัสนาแปลว่าอุบายทำใจให้รู้แจ้ง ในสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงตลอดถึงอริยสัจจะทำทางซีจะรู้แจ้งได้ก็เพราะอาศัยทำใจให้สงบเป็นเบื้องต้นนี้เองดังนั้นเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็เตือนใจของตนให้หยุดคิด ก็ใจมีดงเดียวท่านเนี่ถ้าหากวา่ารู้ตัวแล้วแล้วก็ตัวเองก็หยุดคิดมันก็หยุดลงได้แต่ข้อสำคัญมันไม่รู้ตัวนี่เนะี่ยมันคิดเลื่อยเปื่อยไปมันกำหนดตัวเองไม่ได้สำคัญอยู่ตรงนี้ ฉะนั้นต้องกําหนดตัวเองให้ได้กําหนดรู้นะกําหนดรู้ความรู้อันนี้นะนั่นแหละเมื่อผูใ้ใดมากําหนดรู้ความรู้อันนี้ได้แล้วก็จิตมันก็หยุดคิดเท่านั้นเองมันจะไม่คิดสงสัยไปทางอื่นดังนั้นนะ่ะ สติก็แปลว่าความระลึกได้ก็ระลึกเข้ามาหาความรู้นี่แหละไม่ใช่ระลึกไปอย่างอื่นพูดถึงการภาวนามันต้องเอาความรู้เป็นหลักจะไปเอาอย่างอื่นเป็นหลักไม่ได้อเอาความรู้เป็นหลัก เิ้งความรู้เสียแล้วก็จิตไม่อยู่แล้วมีแต่คิดเดือดลอยเลื่อยๆไปไปอย่างนั้นถ้าเรากำหนดความรู้นี่เพ่งความรู้นี่อยู่จะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวอย่างไรก็ช่างในวันไว้สะกดจิตนี้ ไว้อไม่ให้มันวันไหวไปตามร้อนตามหนาวตามจีบตามปวดต่างๆหมดเนี้ยไม่ให้มันวันไหวไปตามความคิดต่างๆเมื่อเราอดกั้นลงไปแล้วมันหยุดคิดได้ถ้าผูใ้ใดไม่อดกั้นลงนี่ มันก็ต้องคิดไปเรื่อยเปยไปตามวิถีทางของมันมันเคยคิดไปถึงเรื่องใดมันก็จะคิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นดัง น, นั้นจึงได้ออกกําลังใจนั่นแหละคำว่าอดกั้นเนี่ยคือออกกําลังใจแล้วอดไม่คิดไม่นึกไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะเมื่ออดเข้าจิตนี่มันดิ้น่ะ ดิ้นก็ช่างมันไม่ถอยเมื่อไม่ถอยสู้เข้าไปสู้กันมาหนาหนึ่งมันก็หยุดติลงได้เลยสู้ความอดทนไม่ได้มันก็หยุดติลงท่านอุปมาไว้เหมือนอย่าง จับสัตว์ถูกจำพวกมัดเชือกใส่ขามันซะแล้วก็เอามาเอาเงื่อนเชือกเงื่อนหนึ่งนั้นมารวมกันเข้าผูกติดกับหลักไว้หลักนั้นแข็งแรงสัตว์ถูกชนิดนั่นมันก็อยากหนีอยากเป็นอิสระมันก็ดิ่นต่างตัวต่างก็ดิ่นไปสุดขีด ตัวมีปีกก็จะบินขึ้นฟ้าบินไม่ได้ตกลงมาตัววิ่งตามดินก็จะวิ่งไปตามดินก็ขาเชือกอยู่ที่ขาไปไม่ได้ดินไปดินมาเมื่อมันหลักกันก็ไม่ถอนแล้วอ่อนกำลังลงเหนื่อยแล้วมันเกิดมาจุกเจ่าอยู่ที่หลักนั่นเองเนี่ย มารวมกันอยู่ที่หลักนั้นไปไหนไม่รอดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อสํารวมจิตนี่ด้วยสติสมัมปชัญญะแล้วก็มีขันติความอดกั้นในใจด้วยไม่มันคิดมันฟุ้งซ่านไปถ้าความอดกัน้นทนทานอันนี้มัน เข้มแข็งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยหรอจิตนี่มันจะพยายามคิดไปสายไปยังไงมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าความอดทนมันเข้มแข็งกว่าเหมือนอย่างหลักที่ปักลงในดินเชือกกาเหนียวหลักก็แข็งแรงสัตว์ทั้งหกตัวแนละ้วมันจะขยี้ไปยังไงมันก็ไม่ถอนนะอันนี้ก็เทียบได้กับอารมณ์หกนั่นแหละ ธรมสัตว์หกชนิดนั่นนะจิตที่มันจะคิดวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสตามธรรมารมทาต่างๆหมดนั้นมันไปไม่ได้มันคิดไปไม่ได้เพราะมันมีสติกับขันติต้านทานไว้มันยังคิดไปไม่ได้คิดไปมันรู้ตัวแล้วมันก็ยุติลง พอเผลอๆขยับคิดไปมันก็รู้ตัวมันก็อดกั้นเข้าไปฝึกเข้าไปอย่างนี้เขาก็ไม่นานความคิดมันก็ยุติลงได้เพราะว่าต้านทานต่ออำนาจแห่งความอดทนไม่ไวมันก็อ่อนกําลังลงใจก็เลยสงบลงอยู่ในปัจจุบันนี้ แ่างนี้นี่อันวิธีฝึกขนจิตนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอ่อนแอแล้วมันจะสงบลงได้ริงอยู่บางคนก็ฝึกตัวเองง่ายไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่มันก็สงบลงได้แต่บางคนมันต้องได้ออกแรงเต็มที่กลัวมันจะสงบลงได้นะ่ะมันนิสัยไม่เหมือนกันนะ่ะ เลยเวยถือเอานิสัยผู้อื่นนะมาเป็นนิสัยของตนเองโดยฝ่ายเดียวแล้วมันไม่ได้ต้องสังเกตดูนิสัยใจคอของตัวเองให้รู้เรื่องเจ้าของเองเมื่อรู้ว่าเอตัวเองนี่มันหยาบจำเป็นต้องได้ใช้กำลังแข็งแรง สู้ทนอดกันมันถึงจะสงบลงได้อย่างนี้ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องใช้ความอดความทนความภาคเพียนไม่ยามเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งลมหายใจเข้าออกลงในปัจจุบันนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มันไม่เหลือวิสัยหรอกใจที่เคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนก็ค่อยสงบลงสงบลงไปได้ ว่าแต่อย่าไปทิ้งความรู้กำหนดรู้อยู่ที่รู้อยู่อย่างนั้นนะหน่อยมันก็เอาชนะความคิดนึกความจำใหม่ต่างๆได้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับไปแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบายแบบนี้นะมันลำบากแต่ตอนต้นอันตอนปลายนั้นสบายแบบนี้เบาใจเบากาย เมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วถ้าจิตมันยังไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปมันจะไม่เบากายเบาใจเลยมันเคยมีความรู้สึกอยู่อย่างไรก็จะรู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละนี่ให้สังเกตดูทุกคนถ้าหากว่าจิตมันรู้ตัวได้ว่า มันคลายอารมณ์ออกไปแล้วอย่างนี้ก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมง่ายๆอย่าให้มันถอน ง, ง่ายๆมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่รู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรมันต้องให้กำหนดรู้อย่างนั้น รู้ว่าจิตดวงนี้นะมันไม่ยึดมันไม่ถืออะไรอย่างนี้มันสงบอยู่เฉยๆประกอบด้วยสติสมวัชนญยะอยู่ปัจจุบันนี้อย่างนี้ก็กำหนดรู้ตัวเองอย่างนี้แหละให้ได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดจะถือ เพราะรวนจังแต่ของไม่เที่ยงอวัยวะน่อยใหญ่ของร่างกายทั้งหลายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยมันมีแต่ของไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนันนี่นะต้องเข้าใจดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้โปรงให้วางลงในเมื่อตนได้ลุ่มหลงยึดถือมารดาชาติก่อนแล้ว มาชาตินี้ก็ยังจะ ม, มาหวงมายึดมาถืออีกอยู่เช่นนี้มันก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปไม่ได้เลยพ้นจากความทุกข์ความโศกเศร้าพิไร ล, ลำพันต่งางงไปไม่ได้ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แบบนี้นะหัดสอนใจตัวเองด้วยปัญญาเข้าไป เมื่อใจมันปลอดจากอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็สอนตัวเองได้ว่า น, นี้คนเราอสอนให้มันยึดมันถืออะไรต่ออะไรมันก็จะไม่ยึดไม่ถือปัญญานี่มันสำคัญมากปัญญาต้องสอนจิตให้ได้มันถึงจะวิมุตตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ได้โดยสมุเฉทถ้าประหารคือว่าคือว่าละได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละถ้าหากว่ากิเลสอันใดตนละได้โดยเด็ดขาดแล้วมันก็รู้ก็รู้ตัวรู้ว่าตนละได้โดยเด็ดขาดส่วนใดที่ตนยังละไม่ได้ก็รู้ รู้ว่าตนยังละไม่ได้ก็จะได้เพียนพยายามละกิเลสนั่นนั่นเลยไปไม่มีถอยหลังพระอริยบุคคลทั้งหลายเนะ่ท่านรู้จริงรู้แจ้งในหนทางอันถูกต้องไม่สงสัยลังเลยแล้วเหตุ น, นั้นท่านจึงได้เดินหน้าเรื่อยเท่าที่เดินมาแล้วก็ถูกต้องแล้วมีความสุขสบายมา แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางล้วก็พยายามเดินเรื่อยไปอันเรื่องความอดความทนความเพียรนั้นขาดไม่ได้ต้องประดับใจอยู่อย่างนั้นเลยต้องเป็นพื้นฐานของใจรองรับใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้แหละจได้ชื่อว่าผู้รู้จัก แนวทางอันถูกต้องถ้ารู้โดยถูกต้องอย่างนี้ทำใจให้สงบมันก็ทำได้ง่ายไม่วุ่นวายเดือร้อนไม่สงสัยลังเลดันั้นก็ให้พึ่งพากันกระทำลงไฟอย่าไปท่อไปถอยท่อถอยไม่ได้ มันคือกิเลสนี่มันแหมมันเหนียวแน่นจริงๆแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามานีแหละจะต้องละได้เพราะว่าผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้นั่นมันก็เป็นผูุ้ชนธรรมดาสามานีแหละแต่ว่าเพื่อนยึดถือเอา ความรู้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมาเป็นเครื่องดาเนินชีวิตซึ่งแต่งต่างจากาคนทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดาเนินอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นพู้ทุชนเต็มตัวเลย มันนี้ผู้ใดามายึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตท่านให้นามว่ากัลยาณชนแปลว่าบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงามเหมือนควมว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเดินไปตามทางแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นไม่เดินไปทางอื่น ทางกายเช่นนี้ก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นในเวลาเห็นสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเราสามารถจะช่วยได้ก็ช่วยไป ถ้าถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้แล้วก็วางเวกขาลงโดยนึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตอนอย่างนี้นะในเมื่อกรรมที่บุคคลใดกระทำมาแล้วมันตามมาให้ผลไม่มีใครจะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ก็ช่วยไม่ได้ต้องนึกอย่างนี้แล้วก็วางเบกขาลงได้ จะเป็นญาติโกโหติกาวงสาคณาญาติอะไรก็ตามแหละในเมื่อมันเหลือวิสัยอย่างนั้นแล้วเราก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับคนนั้นนั้นอันนี้นท่านเรียกว่าเป็นผู้มีกายอันสะอาด ปราศจากบาปกรรมอันชั่วลายเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลหรือสัตว์อื่นแล้วทำการงานอะไรแล้วมันเป็ น, ปนดีทั้งนั้นแหละกับเว้นจากการหยิบการช่วยเอาของบุคคลอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้แม้แต่น้อยเดียวก็ไม่เอาถ้าหากว่า ไม่ได้ถามเขาก่อนเขาไม่อนุญาตก่อนบางคนมีนิสัยมือไวใจไวพอเห็นของใครวางอยู่ที่ไหนเมื่ออยากได้เต็มแก่แล้วแบบนี้ก็มองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็หยิบฉวยเอาไปอย่างนั้นถือกันว่าไม่ได้ลกักเอาเฉยๆเนี่ย อย่างนั้นก็มีนะบางคนนะเอาโดยฐานคุ้นเคยกันถ้าว่าคุ้นเคยกันจริงๆเมื่อถือเอาไปแล้วก็ต้องแจ้งให้เขาทราบในภายหลังถ้าไม่บอกให้เขาทราบในภายหลังก็ถือว่าลักเละสิ้นข้อนั้นก็ขาดไปอย่างนั้น ต้องบอกให้เขาทราบในภายหลังว่าถ้าลึกในใจไว้ว่าถ้าเขาเรียกร้องเอาเงินเอาทองก็ก็จะให้ถ้าเขามีจิเตเมตตาเขาให้กระเป๋าก็สาธุแต่ถ้าพิจารณาดูว่าของนี้เขาหวงแหนมากอย่างนี้อย่าไปเอาแม้จะคุ้นเคยกันยังไงก็ตาม ไม่ต้องไปถือเอาเขาจะเสียใจในี่การถือเอาสิ่งของเนี่ยให้พึ่งเข้าใจอย่างนี้แม่เมียของคนอื่นผัวของคนอื่นก็เหมือนกันมันก็เว้นได้เมื่อสำรวมกายได้แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ร่วงเกินแลว เขาว่าไปล่วงเกินของรักของชอบใจของผู้อื่นนั้นเขาก็ไม่พอใจจะให้ล่วงเกินเขาไม่ได้อนุญาตเลยแต่ถ้าเขาว่าไปรักเอาของเขานั่นเนี่เหมือนมันถึงได้มีโทษนั่นแนี่ลองสังเกตดูนี่แหละเว้นความประพฤติชั่วทางกายนะ มันมีเหตุผลอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้เว้นนั่นเนี่ยแล้วก็การดื่มสุรายาเมาเครื่องดองของเสพติดได้โทษต่างๆหมู่นั่นก็เรียกว่าเราก็ทําทางกายนั่นเนี่ยถ้าใจเห็นโทษของของเสพติดได้โทษเหล่านนั้นแล้วเบื่อมันบังคับไม่ให้มันไปฉวยไปจับออกมาดื่มมากินอย่างนี้ มันก็ทำไม่ได้ดอกกายอันนี้นะถ้าใจมันเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วเบื่อหน่ายมันแล้วมันจะไม่ไปแตะต้องเลยดังนั้นรวมความลงแล้วว่าการทำความชั่วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจดวงเดียวนี้แท้แท้เมื่อตอนฝึกใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้แล้วก็ มันไม่ได้ทำชั่วห้าอย่างนั้นเลยหรือถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงเซ็คขับบทวิในน้อยใหญ่ต่างๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฝึกใจได้ดีแล้วนี่ฝึกให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละไม่ท้อไม่ถอยล่ะ คล้ายๆกับว่าฝึกบังคับใจตัวเองก็ว่าได้นะเว้ยการภาวนาเบื้องต้นนี่นะ่ะตามธรรมดาคนเรานี่ไม่ได้บังคับใจตัวเองนะมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปตามต้องการเลยอ่ามันก็มีแต่คิดกับคิดแล้วแบบนี้นะเพราะว่าปล่อยตามเรื่องนี่ไม่ห้ามมันเลยอ่ะเหมือนอย่างโซเฟอร์ขับรถอย่างนี้นะ ถึงที่หยุดก็ไม่หยุดแหละมันก็ประสบอุบัติเหตุหละ เ, เลป็งนงั้นก็วิ่งไปสุดทางแล้วไม่หยุดเลยมันก็ไปชนอันอื่นเข้าไปแล้วแบบนี้นะวัตถุได้ขวางหน้าอยู่แล้วมันก็ชนดะไปเลยอันนี้เหมือนกันแหละเรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็ออกมาคิดอย่างนี้นะ ก็หมายถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่เป็นกิเลสบาปประทับต่างๆนั่นแหละที่ไม่ควรคิดถึงคำหนึ่งหามันก็คิดอย่างนี้นะมันก็ไปเจอบาปอากุศลเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นอะไรอะไรมันก็รวมลงมาที่จิตดวงเดียวนี้แหละบุญก็ดีบาปก็ดีอย่าไปสงสัยผู้ใดฝึกใจนี้ได้แล้ว บาปมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเมื่อตอนเองเห็นโทษของบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทรงบัญญัติท่ามไว้นั้นตนเอามาเพ่งพินิพีนาดูก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงสแสดงไวจง้จรงิงๆว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปจรงิงการพูดเช่นนั้นเป็นบาปจรงิงอย่างนี้นะ สมาวมิฉัยเห็นตามที่พระ อ, องค์ทรงบัรยทธามนั้นแล้วแต่ว่าตัณหามันยังจูงใจใอยากทําความชั่วเหล่านั้นอยู่เนี่ยเราไม่ยอมแบบนี้นะหเห็นโลกมันแล้วสกัดกั้นมันไว้เรื่อยไปห้ามตัวเองให้ได้อย่างนี้อเมื่อมันห้ามตัวเองได้อดกั้นได้แล้ว กิเลสเห่านั้นมันก็อ่อนกําลังลงเลยเพราะว่าจิตไม่ไปตามมันนี่มันบังคับให้อยากทําอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่ยากเราไม่เอามันเป็นบาปมันเป็นโทษเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้ามันมันก็ไม่ทําบาปแล้วตอนนี้นะอือเพราะว่าเมื่อใจห้ามใจตัวเองได้แล้วมันก็ห้ามกายห้ามวาจาได้หมดอม ถ้าห้ามใจไม่ได้แล้วก็ห้ามกายห้ามวาจาก็ไม่ได้แล้วนี่ไปทำบาปแน่นอนคนเรานะดังนั้นนะ่ะควรพากันพิจารณาดูว่าตนนี่นะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งหรือไม่ถ้าตอบตนว่าแน่นอนนัตถิอตตะสมังเปมัง ความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วแล้วเรามาพิจารณาดูตัวเองนี้ทุกคนก็ยอมรับพุทธภาษิตข้อนี้เลยเมื่อเมื่อตนความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีอย่างนี้แล้วก็เมื่อสิ่งใดที่มันจะนาทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนตนก็บังคับตนไว้ไม่ทำไม่พูด อย่างนี้นะมันก็ถึงจะมีความสุขได้จึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนนำตนไปสู่ความสุขความสงบให้ได้จึงสมกับพระพุทธภาสิข้อนี้ว่าความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีนั่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าไม่ไม่สมไม่ดำเนินไปไม่ถูกต้องตาม พระพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไวน้นี้มันก็ต้องได้ประสบความทุกข์แลเป็นผลนะ่ะเพราะว่าตนบังคับตัวเองไม่ได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์มันก็ไปฆ่าไม่ให้รักทรัพย์มันก็ไปรักอย่างนี้นะไม่ให้ประพฤติผิดในกามมันก็ไปประพฤติไม่ให้กล่าวเท็จมันก็ไปกล่าว ไม่ให้ดื่มสุราเมไรเครื่องดองของเมาทุกชนิดมันก็ไปดื่มอย่างนี้มันก็ในส้อว่าเป็นผู้สะสมบาปใต่ตนเองก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นล่ะเป็นผลทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าตนเว้นได้มันก็กลงกันข้ามดังแสดงมา